อาตาที่ไปบูรณาญาโยมทั้งหลายนัเกเรียนในบรรดาพิสุทั้งหลายฟังคําแนะนําในการเจริญพุทธมรรคฐานโยเวลาทําไม่ต้องเปนนมือจะทำ ม, มือลงทุกคนลงได้เวลามากพนมือจะลาบากอการเจริญพระกรรคฐานในตอนต้นวันนี้ก็ขอบรรดาพิสุทั้งหลายได้ญาติโยนทั้งหมด <c oughs> ศึกษาเรื่องขอสิ่งก่อน สำหรับวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะว่าตอนหลังใกล้จบคำว่าเกสินแปลว่าดิมิตรเครื่องหมายวันนี้เป็นเรื่องของเตโชเกสินคำว่าเตโชเกสินคือสิษินเพ่งไฟสหรับเตโชเกสินนี้คุณสมบัติมีหลายอย่างเออย่างที่หนึ่งถ้าอยู่ที่ไหนอากาศร้อนเกินอากาศหนาวเกินไป มีความเย็นสูงมากเกินไปหรือมีความหนาวสูงมากเกินไปเกินกว่าเราที่ต้องการท่านก็ใช้เตโชกสินช่วยคือเข้าฌานสี่แล้วเยหลังมาถึงปัจจารสมาธิตั้งจิตอิทันว่าข้ออากาศจะมีความอุ่นขนาดนี้ก็เข้าฌานสี่ครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ อากาศ ก, ก็จะลดลงความหนาวก็จะลดลงหรือความอุ่นตามที่เราต้องการหรือว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนมีความมืดแสงสว่างไม่พอใช้เราก็ใช้เตโทกับสิงช่วยสร้างก อ, องไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ฟืนไม่ต้องเชืเอเรื่องอธิษฐานก็แปรากฏไฟขึ้นมาตั้งจุดใดจุดหนึ่งตามที่เราต้องการ อย่างนี้กองไฟจะปรากฏขึ้นจะมีแสงสว่างตามที่เราต้องการและที่ยิ่งไปกว่านั้นเตโชกสินก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานพิกจักรยานความจริงกสินที่ทำใช้เป็นพลิกจักรยานโดยตรงนั่นก็มีอยู่สามอย่างถ้าโดยตรงเฉพาะจริงๆที่มีกําลังสูงมากคืออาโลกสิน กระสินที่ช่วยทิ่พุยานให้แจ่มใสก็หนึ่งโอทาตกระสินคือกระสินสีขาวแล้วก็เตโชกระสินคือกระสินไฟเะฉะนั้นการทำกระสินก็บรนดาญาโยมพุทธบวยสัจดีที่สุดสัาฤทธิ์นักเรียนทั้งหลายก็ตามถ้าทุกคนรู้จักการใช้กระสินที่พิุญานที่ได้เวลาใช้มนยิทธิจะมีสภาพแจ่มใสมาก แล้วก็จะมีการทรงตัวอยู่นานเราจะคุยกับเทวดากับนางฟ้ากับพรหมนึกไขก็ได้จะคุยได้นานตามเวลาที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดียวก็หายไปตั้งท่ากันใหม่แล้วก็มีมีสภาพแก่มใสแต่ว่าการจเจริญพระกรรมฐานจะเป็นกสิงก็ดีอนุสติก็ดี แล้สุภกรรมฐานก็ดียาหาเรปยบกูสัญญาจะตุธาภิฐานสี่พรหานสี่ก็ตามทั้งหมดเวลาขึ้นต้นใหม่ๆขึ้นต้นเหมือนกันการขึ้นต้นของกรรมฐานทั้งหมดก็คือหนึ่งก่อนที่ทุกคนจะภาวนาและพิจารณาอย่างอื่นให้นึกถึงไตรลักษณญาณเส่นก่อนไตรลักษณญาณไตรปร ะ, ะสามยานคือความรู้ รูปในลักษณะสามเรียงกันคืนหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงสองทุกขังความทุกข์สามารถอนัตตาการสลายตัวให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนค่อยๆแกไปทีละน้อยๆะ น, นะท่ามกลาง <c oughs> ในที่สุดมันก็ตาย ร่างกายของเราถ้ายังทรงชีวิตยอยู่เพียงใดก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์คือความหิวความกระหายความหนาวความร้อนความป่วยไข้ไมส่สบายการปวดอุจจาระปัสสาวะการพัดพลาดจ้าจของรักของชอบใจความตายที่จะมาถึงถึงที่สุดทั้งหมดนี้ทุกหมดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราจะหนีการเกิดต้อเกิดเป็นปัจจัยความทุกข์ อาการทุกทั้งหมดอีกกรับแล้วนี้มันมีมันมาจากความเกิดถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ตายถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ป่วยถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่หิวอย่างนี้เป็นต้นวิธีที่หนีความเกิดทั้งหมดนี้นั้นพระนักเรียนได้ย่าโยมก็ตามปฏิบัติเหมือนกันเ <c oughs> จ้าพระนักเรียนเป็นกฎปฏิบัติของโรงเรียนโดยเฉพาะทุกคนต้องปฏิบัติได้ ก่อนจะเข้าโรงเรียนนี้ทุกคนยืนยันว่าจะปฏิบัติในคุณธรรมตามที่กล่าวต่อไปแล้วจะป็นกรรมฐานได้ด้วยว่าทุกคนต้องได้มโนยิธิแล้วจึงเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เป็นว่านักเกรียนทุกคนก่อนจะเข้ามาก็ได้กรรมฐานก็คือมโนยิธิแล้วก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนี้ซึหนึ่งสักญาวัตถุสี่ อมเมร์สังหะแปลว่าสงเคราะห์ อ, อาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีสี่อย่างคือหนึ่งทางการให้ให้รู้จักสงเคราะห์กิจกันและกันตามสมควรปรายการที่สองปิยวาจาพูดดีพูดเป็นที่รักขบ ค, คุณกูณรับฟังรายการที่สามอัตจริยาการช่วยเหลือกายงานเขาทําไม่ไหวเราช่วย ราการที่สี่สมานัตตาคือไม่ถือตัวไม่ถือตนรวมความลักษณะที่ราการนี้คือหนึ่งรู้จักสงเคราะห์สิ่งกระไรกันเรการทีร่สองพูดดีไปที่รักขบุคลผู้รับฟังเรการทีร่สามช่วยเหลือการงานสิ่งกระไรกันเรการที่สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนสิ่งกระไรกันถ้าทั้งสีอย่างนี้ใครทําได้ บุคคลนั้นจะเป็นที่รักของทุกคนที่ประสบทบเห็นเรีคกบหาสมาคมก็เป็นสเสน่ห์ใหญ่จับใจบุคคลผู้คบเห็นแล้วพบหาสมาคมแล้วก็คุณธรรมขั้นที่สองคือพรหมีหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุธุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียกันสี่ อุ้มเบะขาวางเฉยเมื่อตื่นขึ้นเช้าเราจะมีความรู้สึกประทังกำลังใจว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีเรับความลำบากเราจะสงสารสงเคราะห์ให้มีความสุข่างกำลังถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วยแต่ใครเพี้ยงทรามีความทุกข์เราช่วยไม่ได้เราจะเฉยไม่ซ้าเติม อันนี้ก็เป็นคุณธรรมขั้นที่สองของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติขย่ายอมพริทวีสั ต, ตปฏิบัติด้วยก็ดีเพราะว่าเป็นพื้นฐานเดิมในการจะเป็นกรรมฐานเป็นการปลูพื้นเพื่อเรินกรรมฐานแล้วก็ในขั้นต่อไปคือสินห้าร่วมกำบบดสิททางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุติกรรมสี่ไม่ดื่มสุราได้มีไร ทางวาจามีสี่คือหนึ่งไม่พูดฝด <c oughs> สองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดยุเขาแตกราากันคือนินทาชาวบ้านแล้วก็สี่ไม่พูดวาจาเพืาา่อเจอเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางด้านจิตใจมีสามอย่างคือหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สม บ, บัติเขาบุคคลอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็รายการที่สอง ไม่อาฆาตจองล้างจองฐานไขรความโกรธอาจจะมีโกรธแล้วก็แล้วกันไปก็รี่สามยอมรับนับถือคําสอนเขาสมเด็จมมรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามทั้งหมดนี้เขาบรรดา ญ, ญาโยมพระทวยใส่ัวดีที่สุดสมันนยและบรรดาเด็กนักเรียนก็ตามทั้งหมดความจริงแล้วต้องปฏิบัติได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราพ้นอับายภูมิไปแล้ว ถ้าเราปฏิ บ, บัติตามกฎคุณธรรมตามที่กล่าวมันทนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าเราต้องไหลลงอาวิญญาณภูมิไปใหม่ตายจากความเป็นคนต้องลงนรกเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสรกายบ้างเป็นสัตว์ฉันบ้างสุรธรหนักหรือเบาต่อไปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเงินสินเื้นฐานที่พูดมเมื่อกี้นี้มีความจําเป็น การจะปฏิบัติกรรมาฐานนั้นกรรมาฐานจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวก็อาศัยพื้นฐานตามที่กล่าวมาแล้วถ้าพื้นฐานตาม ท, ที่กล่าวมาแล้วครบพ้นฌานสมาบัติและสมาธิที่ได้จะไม่เคลื่อนจะไม่ไม่เศ่า้าหมองเป็นนั้นว่าผู้เรืองศิลเตโชกศีลกศีลกองลีมีความทธรรมนมากเวลาปฏิบัติท่านให้ใช้ไฟจุดไฟไว้เบื้องหน้า ตามโมติที่พระที่อาจารย์าจารได้กล่าวต้องใช้การไฟกองเท่านั้นเท่านี้ตั้งหาเท่านั้นเท่านี้อันนั้นเป็นความเมตตางพระอาจารย์าจารแต่ความจริ ง, งเขาพูดกับพระผมเคยปฏิบัติมาก่อนผมไม่ได้ทำตามแบบนั้นผมใช้แค่แสงเทียนธรรมดา แต่แสงเทียนที่เราจะใช้นี่จะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาทําวัดจุดมนก็ถืออจิตจับแสงเทียนหลับตาลืมตามองดูแสงเทียนแล้วก็หลับตานึกถึงภาพเทียนเวลาเรียนสวยกับเขาก็ทําไว้ขอนไหนไว่าอย่างไงส่มมนไวนบนว่าย่งไรแล้วก็ว่าตามเขาแต่ใจของเราไปจับที่แสงเทียนเท่านี้พอเดือแหละตอนนี้ถ้าจะปฏิบัติตามสถานที่อยู่ของตน แสงเทียนเทียนไม่มีความสำคัญย่าปักไว้เฉยๆต้องมีของคุ้มกันสมมติว่าถ้าเราหลับตาทําใบบังเอิญเทียนล้มเทียนจะไม่ไหม้พื้นที่นั่นคือใช้กระป๋องหรือใช้ถังหรือใช้ขันใหญ่ๆเอาเทียนปักไว้ก้นขันข้างในงายๆขัขึ้นมา <c oughs> ถ้าเวลาเทียนล้มจะได้ไม่ไหม้อย่างอื่นแล้วจะไม่สงสัย การเจริญเกล้าศีลเตโชศีล น, นี่จะมีความสำคัญตอนที่เกสิาเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืปฏิภาคธรรมิตรอุกขานิมิตหรือปริภาคธรรมิตรอุกขานิมิตเบื้องปลายก็เอาเรื่องเหมือนกันต้องเราวังระวังวิธีปฏิบัติจริงตามอย่างนี้ไม่หนักอันดับแรกใช้เชียนปักในก้นขันที่ไม่มีน้ําไงขันขึ้นมาจะปั้มขัน ถ้าความขันถ้าเทียนล้มจะไม่บ้านไม่หกติตักไว้ในขันตั้งห่างพอสมควรัรบว่าห่างพอสมควรเขสุดได้แต่เราจะห่างขนาดไหนก็ได้แล้วก็มองดูเทียนพอ ต, ตามที่สุดที่มักจะบอกว่าข้ามหิ้งขอบขันอันนี้ผมก็ถือว่าไม่มีความสคัญเพราะผมทำมาแล้ว ขอบขันใจเห็นก็เห็นไฟแต่เราไม่สนใจกับขอบขันเราสนใจกับแสงเทียนแสงไฟเราลืมตาดูแสงไฟแล้วก็หลับตามล้ถึงภาพไฟให้ใจเข้าให้ใจออกเรารู้เวลาให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็ภาวนาว่าเตโชกสิหนังคว่าเตโชกสิหนังถ้าแปลก่สิน้ำไฟสิน้กไฟสิน้ำแปลว่าเนมิตรในเครื่องหมาย ถ้าพบังเอิญภาพแสงไฟจากเทียนลือนไปจากใจเราจําไม่ได้นึกไม่ออกก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูใหม่ก็นึกถึงดูจําภาพแสงแสงไฟจากเทียนเมื่อจําเห็นว่าจําได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพไฟจากเทียนแล้วก็นึกในใจพาวนาว่าเตโชกสินั ง, นงอันนี้อย่าลืมลงให้ใจก็ออกนะถ้าลืมลงให้ใจเขาออกจิตจะเป็นฌานน้อย ทำอย่างนี้ทุกๆวันในการปฏิบัติกสิศีนี่อย่าทำเฉพาะเวลาสถานที่ที่เราปฏิบัติเวลาเขาฝึกกสิศีล้ น, นเขาจับภาพกันตลอดเวลาคือว่าจะเป็นสถานที่ไหนที่เดินไปเห็นแสงไฟในเตาเห็นเสียเห็นแสงไฟที่ตะเกียงเห็นหลอดไฟฟาดพยายามาจิตจับไปตลอดเวลาจับไปเ้ยวเดียวก็ได้ หรือบังเอินเดินไปเจะภาพพระรูปเข้าเจอสิ่งที่ทเราชอบใจสดุดใจนึกถึงภาพนั้นให้ทรงตัวถ้าฝึกอย่างนี้แล้วก็ไม่เกินหนึ่งเดือนอย่างช้าไม่เกินอย่างเดือนมีผลเกินเกินควา ม, มต้องการตอนนี้ผลเบื้องแรกของก้สินจะทําไงก็าวสินไฟอันดับแรกถ้าเราเริ่มปฏิบัติ จำภาพอย่างนั้นมันก็เป็นการฝึกการจำภาพจำภาพได้บ้างไม่ได้บ้างจำภาพไปเดียวเดียวก็เรืมหายไปเราก็ลืมตาดูใหม่ดูแล้วจำได้ก็หลับตาภาวนาวเตโชกสินัง <c oughs> <c oughs> การจำภาพได้บ้างไม่ได้บ้างได้ไปเดียวเดียวก็หายไปอย่างนี้ท่าเรียกคณิกะสมาธิซึ่งแปลว่าสมาธิเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะ นักปฏิบัตินักเรียนทุกคนพระกร็ดีญาติโยมบริวสักเท่าตามที่ได้มโนยิตงยิมาแล้วแค่คณิกาสมาธิเพียงเท่านี้ทิพยาณของท่านจะจำใสกว่าเดิมมากได้ต่อไปถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติใจเกิดจิตทรงตัวเข้าถึงปีติเข้าว่าเข้าถึงปีติคือเข้าถึงความอิ่งใจปีติเราอิ่งใจ อย่างนี้ จ, จิตจะสามารถทรงภาพไฟแสงไฟได้นานพอสมควรไม่นานนักอาจจะเป็นหนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างก็ตามแล้วก็เรือนหายไปแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นนานเมื่อ น, นา น, นเข้านนเข้ า, ากานานนเข้าจิตใจชุ่มชื่นมาเข้าอย่างนี้ที่เข้าถือว่าเข้าเขตอุปจารสมาธิ ถ้าพูดในมิตก็พิว่าเข้าเขตอกอกขว า, านในมิตใมมิตข้างกลางถ้าถึงขนาดนี้จิตวุ ญ, ญาณเดิมที่ได้มาจากมโนเยติจะมีสภาพจำสใสว่าทรงดีตัวดีกว่าเก่าต่อไปในมิตอกขว า, านใมิตนี้จะเคลื่อนขึ้นอกขวาานนมิตทมีสามชั้นอันดับแรกแค่จำแสงไฟเดิมได้ต่อมาเมื่อจิตใจมีกำลังดีขึ้น มีความมั่นคงขึ้นอิมเออบมากขึ้นตอนนี้แสงไฟจะส่งตัวนานขึ้นมาใจก็สบายจะไม่นานนักเอาแค่ส3สามนาทีก็พอแด้ส่งตัวได้สักนาทีสองนาทีก็ตามถึงใจชุ่มชื่นเราก็นึกในใจว่าขอแสงไฟนี้ยังโตขึ้นแสงไฟจะโตตามเราต้องการ แสงไฟจะเลื่อนขึ้นสูงแสงไฟก็เลื่อนขึ้นสูงตามเราต้องการอันนี้ใจเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นนะแสงไฟจะอยู่กันหน้าแสงไฟอยู่กันหลังแสงไฟใจอยู่ข้างอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นไปตามเราต้องการอย่างนี้ถือว่าไป อ, อกครอภ์ครานี้แิดข้งกลางความเป็นทิพย์ของจิตจะจำใสมากกว่าเดิมจะทรงตัวมากกว่าแต่ยังไม่ถึงที่สุด ต่อไปเมื่อทำไปทำไปแล้วนะ่ะเข้าแสงไฟจะไกลสีค่อยๆกลายจากแสงเดิมกลายเป็นสีเหลืองเทียนน้อยดืน้อยเดือดนนอยในที่สุดจะเหลืองหมดกองในเมื่อหลงเหลืองหมดกองจิตใจก็ชุ่มชื่นมากดีขึ้นแล้วนานเมื่อนานนะ่ะเข้านะ่ะเข้าจากสีเหลืองจะกลายเปสีขาวเทียนน้อยดืน้อยดืน้อ ย, นอยจนต้องเป็นสีขาวหมดดวง ในที่สุดก็เป็นสีขาวสะอาดชัดเจนมากแจ่มใสามากตอนนี้เราจะบังคับยังไงก็ได้ขอดวงกรสินจงเล็กลงเล็กเท่าไรดก็เล็กตามใจเราเน็ตขอดวงกรสินจะเห็นจงใหญ่ขึ้นขนาดไหนก็ได้ตามต้องการและขอดวงกรสินจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังจะเป็นไปตามเราต้องการภาพเป็นอย่างนี้เข้าจุดทีป่ประจุไฟยานใหญ่ ดังนันหมายความทิพยาณอันดับเต็มอัตราจะปรากฏนั่นก็หมายความว่าถ้าบรรดาลูกหลานทุกคนบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายก็าตามเวลาที่ใช้กําลังมนุยติจับกระสิณก่อนให้ภาพกระสิณก่อนได้เครื่องแลว้วบนึกปั้บเป็นก็ปรากฏพอจับภาพกระสิณสักสองสามนาทีให้จิตสบายหลังจากนั้นก็จับภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ขอภาคเกษินอันดับแรกจะให้ชัดตามกำลังต่อไปก็นึกถึงปรงคิดว่าขอภาคเกสินจะหายไปขอภาพพระเจ้าจะปรากฏขึ้นเพียงเท่านี้เห็นภาพพระเจ้าชัดเนจนแจ่มใสมากจะไม่เห็นเป็นเงาค้ายจอภาพยนต์จะเห็นเป็นเหมือนคนธรรมดามันก็มีเนื้อดแต่จ่มสวางใสความเป็ทิจะปรากฏ ตอนนี้หากว่าถ้าก็ใช้กำลังโมโนชิตจะมีการคล่องตัวทุกอย่างคล่องหมดแก่มใสหมดไปไหนก็สะดวกตอนนี้มาว่าก็ถึงอนุภาพเขาก็สินโดยตรงอนุภาพเขาก็สินโดยตรงนี่ถ้าเราจะใช้ทิพ ญ, ญานตอนนี้ใช้ได้สบายๆนะเป็นกําลังพอเห็นสีขาวปรากฏชัดขาวสะอาดแล้วก็จำติดให้ทรงตัวสักเล็กน้อย และจิตจับภาพสีขาวไว้หลังจากนั้นก็ น, นึกตามใจเราชอบสมมติว่าเราอยากจะเห็นเทวดาเห็นใครอะพระอินทร์อะไรกันรู้จักกันดีเวลานี้เราอยากจะเห็นพระอินทร์ว่าพระอินทร์จริงๆรูปร่างหน้าตาท่านไปยังไงท่านแต่งเครื่องแบบสีไหนมีสีขาวสีเหลืองหรือสีเกี่ยวตามที่รเราเขียนกัน แล้วก็ตั้งใจนึกอย่างนี้นึกว่าเวลานี้ขอภาพกระสินจงหายไปภาพพระอินทร์จงปรากฏเข้าไปเจ้าเท่านี้อ่ะจะเห็นภาพพระอิน์ชัดเนจนแจ่มใสเมื่อเห็นท่านแล้วในฐานะที่เราคือได้มโนยุธิมาแล้วไม่เหตุคนใหม่ก็อย่าพูดจะคุยกับท่านได้ตามที่เราต้องการได้ใช้เวลาได้นานแสนนาน ตอนนี้เราถ้าคุณว่าเราเป็นคนที่เกียจไล่เบี้ยจะโอันนั่นเจโอนนี้เรเสียเวลามากแล้วก็ตีจุดรวมว่าเวลานี้ทั้งขอเห็นบ่าวดึงทั้งหมดมีวิมา ก, กี่หลังมีเทวดากี่องค์มีนางฟ้ากี่องค์เห็นหมดเพียงเท่านี้จะเห็นชัดเจนจะใสเห็นสว่างมากกว่ารากีารนี่ เห็นการสวยสดกิ่งงานจะเห็นที่มันต้องการเหี้ยวายชั้นไหนก็ได้ชั็นใครก็ได้ถ้าเราอยากจะดูนรกแล้วก็เห็นนึกว่าภาพกระสินก็หายไปภาพนรกจะปลายเปแทนสมมติว่าคนที่มีญาติดีเพื่อนมีพี่มีน้องที่ตายไปแล้วไป <c oughs> เราอยากจะทราบว่าเขาตัวหลายลรานั้นไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่ยากจับภาพกระสินตามที่แนะนํามาแล้ว เสินภาพกัเสินชัดในการส่งตัอธิษฐานว่าขอภาพกสินจงหายไปภาพบุคคลที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงปรากฏเพียงเท่านีเขาจะปรากฏเฉพาะหน้าเรานี่เป็นว่าเจ้าสินวันนี้ก็ยังไม่จบเอาแค่คิพย์กุยายก่อนเขากาลังเจ้าสินนี่เป็นกำลังข้อปัญญาใหญ่ล้วไปใชิทายาย เมื่อเพื่ทำจบเจ้าิลแล้วก็จะ ก, ก้าวเข้าสู่สมาบัติแปะเครือรูปฌานไปสมาบัติแปดได้ฉะนั้นวันนี้ก็ขอทุกคนให้รู้จักคุณค่าของกจ้ิลเตโชกสิลขั้นแรกว่าเตโชกศิลป์ขั้นแรกที่พูดมาวันนี้ถึงอุปจ า, าระฌานอุปจารสมาธิรูปจารณิมิตเป็นกําลังเจ้ิลที่ใช้พิป ญ, ญายได้ดีมาก แต่วิธีปฏิบัติขอย้อนนิดหนึ่งเวลาเขาเหลือวิธีปฏิบัติจริงๆท่านแรกอย่าลืมสังหาวัตถุสี่ภิหานสี่และกำหนดสิบบวกสินห้าอันนี้ถ้าทรงตัวนะปฏิบัติได้ดละสินนี้เป็นของเล็กทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็จะทรงตัวนานแล้วก็วิธีปฏิบัติก็จะ อย่าลืมว่าเวลาที่จะใช้เตียงใช้ไฟก็มีอะไรล้อมให้ดีใส่กันให้ดีแต่ต้อระวังยีกตอนหนึ่งที่ถึงอกหัตฯอกาันนิดนิดดวงปลายตอนนี้เราไม่ตระวังแสงไฟไฟเดิมแค่ดวงเทียนแต่นิมนิดอันนี้ถ้าเกิดขึ้นไฟจะค่อยค่อยโตขึ้นกองไอ้ไฟโตนี่มันไฟที่เราเห็นนั่นไม่ใช่กองจริงดวงจริงก็แค่นั้น นักเข้านักเข้าจะเห็นลุกคืบคืบคืบเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> อันนี้อย่าตกใจทีก็บอกว่าก็เป็นว่าเวลาที่อยากยะปฏิบัติเตโยกเสียงต้องมระมัดระวังนิดหน่อยเพราะตอนที่จิตเข้าถึงปริภาคณนิดอ่าอะไรหมดเลยไะ การเข้าจิตถึงกวบจาระส ม, มาธิตอนปลายและปฏิภาณนิมิตแสงไฟจะปลายโกรขึ้นแล้วก็เป็นบางคนนะบางคนเห็นว่แสงไฟโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นถ้าความจริงแสงไฟเดินไม่ได้โตอันนั้นเป็นนิมิตโตแล้วก็มีบางรายเมืกันที่โดดหน้าต่างอย่างนี้ข้างวัดดาวดึงจเจริญเกยโชกศินป์พอไปถึงโอกาสนิมิตเบื้องปลาย ไอ้นิมิตก็โตขึ้นก็เป็นไฟลุกคือผับคือนเข้าขึ้นกัดเอาุ่ง ข, ข, ขาวนุงขาวพอดีฉันเดินไปพอดีบ้านก็อยู่ใต้ น, น้ำแกก็ตกใจคิดว่าไฟไหม้บ้านลุกพุ่มไหม้บอกไฟไหม้จะโดดตุ่มออกหน้าต่างดีลงน้ํำไปเนี่ยถ้าไม่มีน้ํำก็ขาหักนะโดนระวังน้ำจากฟ้าเนี่ยนะก็เป็นว่าเรื่องเขาก็สิ้นจบแค่นี้นะต่อไปก็เป็นมโนยิทธิ คำว่ามาโนมิธิแปลว่ามีทิศทางใจก็วิธีปฏิบัติทวรนดาญาโยมพุทธริษัทก็ทุกอย่างก็เหมือนกับกระสินที่กล่าวมาแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีลัดใช้กำลังกระสินมึ่งกันจ่เป็นกระสินเล็กๆรนดับแรกเราจะเิญเป็นพุทธานุสตินึกถึงภาพพระพุทธเจ้าแต่การนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธ า, ธานุสติกรรมฐาน เพราะว่าภาพพระพุทธเจ้าที่เป็นกสินที่เราท่านเราต้าเรานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ได้เรานึกถึงพระพุทธรูปถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองนี่เป็นปิจาการกสินถ้าสีใสเป็นอโอเป็นอาโอลาโอตาคือขามโอทาเกิดสินถ้าเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสินก็องความว่าเราทั้งทำทั้งเกิสินและพุทธานุสติ วิธีปฏิบัติข้างแรกาเบรรดาญาโยมเฏิจะเป็นจัรกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเขา้านึกตามบรรณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะคือคำบรรดาใช้สี่คำนัำมาภาภา่มะพระทะแต่ใช้เป็นคู่ที่ได้เ็นเลย ให้ใจเข้านึกตามวานมะมะให้ใจออกนึกตามภาภะทะอันดับแรกบาระแรกของพโนยิทธิต้องได้ทิพยคุญานก่อนอันนี้คําว่าทิพยปุญานเขออาแยกโยงเข้าใจคําว่าทิพยคุยานนี่ก่อนในสมัยก่อนที่ทําก็ได้ยากเพราะมีความเข้าใจพลาดโดยก่อนนี้พระทํากันต้องใช้เวลาสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างยึงได้ไม่ใช่เด็กน้อยไม่มีใครฝึก เคือหลงว่าลูกตาเป็นทิพย์แต่ความจริงไม่ใช่ถ้าลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นร่างมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าหรือกมแต่นี้เราเป็นมนุษย์มีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อมีทิพยานไม่ได้เออไม่มีตาทิพย์ไม่ได้ถ้าตาทิพย์เฉลี่ยทิพย์เนตรทิพยานี่ถ้าท้ามใจเป็นทิพย์เฉลี่ยทิพยานคําว่ายานแปลว่ารู้ ถ้าแปลเต็มสัพ์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศคือว่าเรารู้อะไรเห็นอะไรได้ทั้งหมดอาศัยที่ใจและเวลาที่ครูก็จะฝึกขยายโยมอันดับแรกขยายญาโยมภวาวนาวันมะพาทะให้ใจเข้านึกว่านามะใจออกนึงพาทะอย่างนี้ประมาณสิบนาที ในเวลาที่ยาโยมภาวนาในเวลานั้นขอจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะเฟื่องจะมีรมฟุ้งสั้นความมีที่จะไม่ปรากฏเวลาภาวนาต้องการคุมอารมณ์ให้ไปสมาธิเท่านั้นแต่ว่าเวลาสิบนาทีาากั้บรรดาญาโยมคนใบสัตว์นักอาจจะคิดอื่นเข้ามาแทรกบ้างเลยเป็นของธรรมรรดา ถ้าเราเผ้อไปอย่างอื่นเข้ามาแทรกนึกเข้ามาได้เราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกวันนะมาจะออกในพระท า, าหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีจะมีคนเข้าไปนั่งข้างหน้าหรือนั่งกลางวงก็พึงทราบว่าบุคคลคนนั้นเขาจยกเข้าไปได้นำตอนที่คนเขาไปนั่งหน้าหรือนั่งกลางวงเขาบรรดาญาโยมทุกคนเลิกภาวนาทันทีว่าคาภาวนาที่ใช้เลิกไปเลยไม่ใช่หยุดทัวกล่าว แล้วก็ไม่ต้องสนใจกลัวใจเขา้าเราเอาใจจิตเข้าไปรับฟังฟังคําแนะ น, น, นําของผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการตักกิเลสระหว่างนั้นที่ญาติโยมตั้งใจฟังธรรมะในเรื่องในการตักกิเลสจิตก็จะห่างจากกิเลสทีละน้อยๆได้เมื่อจิตห่างมามากจิตใจก็เริ่มเป็นคิด แั้ได้ความเป็นทิพยจิตใจใั้นญาติโยมจะมีกำลังไม่เท่ากันบางคนมีความเป็นทิ่เปเล็กน้อยก็จะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพบางคนมีความรู้สึกปานกลางจิตมีความรู้เมื่อจิตมีความรู้สึกก็มีจิตเห็นภาพชัดไม่ชัดเจนนะักบางคนจิตสะอาดมากจิตนึกถึงภาพจิตมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเจนจ่มใสามาก ดังนั้นในข้อนี้ะบันดาญาติโยมพระสัตว์ถือเอาความรู้สึกเป็นสำคัญถ้าคูเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถที่วิวดาหรือภูมพระริยะที่ท่านมาสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีอย่ากตรวจิอบให้ตอบทันทีว่ามีถ้าเขาถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าเขาถามว่าท่านวนนั้นนุ่งผ้าใส่เสื้อสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เขาเห็นว่าท่านเริ่มได้เขาก็จะแนะนำให้ทุกคนไปพระจุฬามนุนีจิรีสถานที่ตัอ้งจอุ่บนสวรค์ั้นหนวาวิทยากัยขรงเทวดารภพมจพบพระพุทธเจ้าที่นั่นไม่จะพระเกอาหันหลังจากนั้นถ้ามีกำลังเข้มแข็ ง, ขงพอจะนาแนะนำญาติโยมพระบริสัทธนิพันธ์ประดุจนิพันธ์สหรับคนเก่าที่ต้องการซักซ้อม อันดับเริ่มต้นเคยรวบรวมกําลังใจเห็นทุกในกายเกิดก็คิดว่ามนุษยโลกทเทวโลกและพุทธโลกเป็นสถานที่ไม่พ้นแห่งความเป็นทุกข์เราไปตรงกางเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็จิตใจไปตั้งนิพพานอยู่ต่อนหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างนี้เวลาซักซ้อนจะมีการข้ามุ่งมากนคารว anda ญาติโยมพทะตวีสัตตตอนนี้ไปขอทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานชินสมาทานมังกรทาน